นั่นผงที่เคารพค่ะนั่นคือพระมารชาควโรวัฒนาปาพงลัมลู ก, กาคลองสิพระภิกษุในวัดที่มีพระอาจารย์คือคริปโซธิพโลเป็นเจ้าวาดแล้วท่านก็ได้มอบหนังสือพุทธวจนะมาแจกให้กับท่านทั้งหลายกันวันละสามเล่มศ2 2 6 9 0 0งนยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะขอหนังสือกันมาได้ค่ะ สำหรับต่อนี้ไปก็จะเป็นการได้พบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งมาไกลนะคะจากจังหวัดอุดรธา น, นีแต่มาพบท่านอย่างสม่ําเสมอจากวัดป่าดอนหายโศกําเภ อ, อน้องหานนั่นก็คือพระภัยบูรณอภิปุโนกับช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกราบนมัสการกันแลนค่ะเชิญพรค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะกล่าวเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของการเทศมหาชาติสักหน่อยค่ะ คือเห็นระยะนี้ก็มีข่าวเรื่องของการแสดงธรรมที่เรียกว่าเป็นเทศมหาชาติหลายที่นะคะบางที่ก็เป็นการแสดงแบบระดับชาติทีนี้ที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยค่ะอื ม, มีการเทศมหาชาติบ้างไหมคะของเราจะเป็นลักษณะนี้คือในคุณคุณโยมตี๋วเคยมาฤกษ์เรนปฏิบัติถูกไหมค่ะแล้วในการฤกษ์เล้นปฏิบัติตอนขําเนี่ยเราก็จะมีให้ฟังธรรมะ ใช่ไหมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเอาพุทธประวัติเนี่ยมาอ่านให้ฟังกันแล้วในตอนนั้นๆเนี่ก็จะมีพูดถึงการบําเพ็ญอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามาเกิดมาเป็นอะไรเกิดมาทําอะไรเกิดมาเป็นกษัตริย์เกิดมาเป็นปุโรหิตเกิดมาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็มีชาติหนึ่งคือเป็นมหาชนกพระมหาชนกนะที่มีนาพระนางมัตซีใช่ไหมมัตซีมัตซีหรือมัตทรีนะ ภาษาไทยจะอ่านมัทซีอ่ ม, มัทซีใช่ไหมเออค่ะแล้มัทซีเนี่ยก็อธิบายถึงมันต้นใจอะค่ะอ๋อเออใช่ใช่ก็อธิบายถึง ค, ความเป็นไปในในภพนั้นชาตินั้นโดยลักษณะที่พระเจ้าตรัสเล่าเองก็คือเราก็เอามาจากหนังสือพุท ธ, ธประวัติจากพระโอเด์นี่แหละค่ ะ, ะซึ่งจริงๆแล้วการเทศมหาชาติเนี่ยก็คือหมายถึงการที่ได้เล่าถึงมหาอนนี้แปลว่าก่อนก็ได้ใหญ่ก็ได้ใช่ไหมก็คือชาติก่อนๆที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า ชาติก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นโพธิสัตย์โพธิสัตย์นีเป็นโพธิสัตย์ที่เกิดในชาติต่างๆเขาก็ามาเล่าให้ฟังพระเจ้าเป็นยังไงไงไงนี้มานะซึ่งตรงนั้นก็คือเอามาจากพื้นฐานที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เองด้วยเน<ม>ีเพราะประเด้นที่พูดถึงรูปแบบของการเทศมหาชาติอย่างที่เขาเขาทํากันเนี่ยที่ว่าป่าในโศกก็จะไม่ได้ทําอย่างนั้นเราก็จะเหมือนอย่างที่เราทําอยู่เป็นประจำคือการให้ฟังธรรมะในการเรียนเล่นปฏิบัติแล้วก็เอาพุทธประวัติมาอนให้ฟังอยนี้นั่นเองค่ะ การที่เราจะต้องรู้จักภพชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความจําเป็นไหมคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างไดคะโอ้มีประโยชน์มากเลยเ อ, อ, อย่างตอนที่เราพูดถึงเรื่องที่เป็นมหาชนกก็ได้น้อที่พระเจ้าได้เกิดเป็นพระมหาชนกใช่ไหมค่ะแล้วก็พระเจ้าได้เล่าถึงวิธีการที่พระองค์เนี่ยบํบาเพ็ญบาปรมีมาเป็นยังไงซึ่งมีความแม่ดีมากเลยนะ ทำ่เราได้ข้อคิดหลายอย่างอย่างตอนที่มีกันหากรชาลีใช่ไหมที่กันหาเป็นพี่ชายากันหาเนี่ยเป็นเป็นเป็นน้องสาวชาลีเป็นพี่ชายใช่ไหมแล้วก็พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงมีชูชกเนี่ยมาขอมีพรามมาข อ, อากันหากชาลีไปพระพุทธเจ้าก็ลดเอาน้ำเนี่ยลดมือเขา แล้วก็ให้กัรหาชาลีไปอันนี้ <Okay. S 1> เป็นทำให้เรามองเห็นถึงประเพณีขนมตําเนียมในสมัยนั้นด้วยว่าทำไมเขามีการกรวดน้ําในปัจจุบันและประเปณนเหมือนกับการที่ทําสัญญากันแล้วว่าฉันให้เธอแน่นอนเหมือนกับเซ็นสัญญาเซ็นเอกสญญารอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แต่ลักษณะนี้คือให้ให้เป็นการรดน้ำํำเป็นการที่ยืนยันแล้วว่าให้แน่นอนไม่เอาคืนไม่ไม่ขอคืนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้ซึ่งน่าสนใจมากก็คือว่าอย่างตอนที่ ให้พระนางมัตสีไปเนี่ยพระเจ้าบอกว่าขณะที่เราให้ไปเนี่ยนะแผ่นดินก็วันไหวเทาว้าเขาสินเนรุก็สั่นสะเทือนแต่พระาบอกว่าเราเนี่ยให้สละกัญชาลีกัญหาสละนางมัตสีไม่มีความลังเลใจก็เพราะเหตุแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้นนั้ลูกสองคนนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่พระนางมัตสีจะเป็นที่เกลียดชังก็หาไม่ แต่สัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงให้ของรักเพื่อสิ่งที่เรารักนัพูดไปอย่างนี้ค่ะ <Okay. S 1> นี่ทำให้เราเห็นว่าโอ้โหกว่าจะมาเป็นผูน้เช่านี่ต้องสละของที่รักขนาดนี้นะัมีการบําเพ็ญบารมีมามากจริงๆค <Okay. S 1> ่ะตรงนี้ก็จะมาประกอบกับสิ่งที่เป็นพุทธกุนลที่ได้ตรัสไปในชาติสุดท้ายของพระองค์ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึง เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนอย่างไหนเขาก็จึงเล่าถึงบุปกรรมต่างๆที่พระองค์เป็นมานั่นเล่าให้ฟังหมดเลยตรงนี้แหละจึงเราควรจะต้องรู้ว่าอ๋อเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันคืออย่างนี้ว่างั้นนะค่ะอืมเพร้นมันก็สําคัญเหมือนกันน่นแหละค่ะก็จะได้รู้ว่าเรื่องของทานสมมุตินะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ ทำให้เราได้ทราบว่ากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ผ่านอะไรมาสารพัดเลยใช่ตัวตัวพระรเองตอนเป็นโพธิสัตว์นะ น, นี่เราพูดถึงที่เขานิยมพูดกันนะคือมหชนกนะค่ะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์น ะ, ะเป็นก็เรียกว่าเนี่ยอยู่ในเป็นมา้มาชนกเนี่ยนะเออเป็นพระเวสสันดรขออาภายัยอตอนนั้นเป็นทารกอายุแปดปีนะเป็นเป็นเด็กอายุแปดปี นั่งอยู่บนประสาทแล้วก็รำพึงถึงบอกว่าเราจะให้ทานหัวใจนะทานดวงตาทานเนื้อทานเลือดทานร่างกายให้ปรากฏถ้าว่าจะมีผู้มาขอกเรานะคิดแค่นี้คิดอยู่ในใจอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าภูเขาหวันหวแผ่นดินสั่นสะเทือนนะคืออย่างสมมุติมีคนมาขอเราว่าเออคุณโยมติ๋วขอดวงตาสักข้างสี่แหม่มีทั้งสองดวงขอข้างนึงได้ไมอ่ะ โอ้โหเราจะไปให้ได้ไงเนื <c oughs> <c oughs> ่กมาแต่แต่พระเวสสันดรไม่มีปัญหาให้เนี่ยมาถ้ามีคนขอให้หมดว่างั้นโอ้โห oh oh, จิตใจนี่แน่วแน่มากต่อมุ่งมั่นต่อการให้ทานมากอย่างเงี้นะ <c oughs> ดิฉันก็มีคนร <c oughs> ู้สึกว่าโอโ้พอมาเทียบกับตัวเราในบางครั้งเอาพูดง่ายๆเรื่องคนยืมเงินนี่กนะ็ด้บางทีเราก็แหม ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันมานานมากเลยเจเคยรู้จักกันมาไม่เจอกันมาจะยี่สิบปีแล้วพ อ, พอติดต่อกันได้ก็ติดต่อมายิ้มเงินเนี่ยทำใจลำบากนะคะนี่แหละนี่แหละคื อ, ค, อ, ค, อคือพูดถึงความยิ่งใหญ่ของจิตของของสัมมาสัมพุทธเจ้านะคุณโมติว <c oughs> ว่าแหมมันให้ได้ไม่มีประมาณแล้วก็ คือเป็นจิตที่มหากตานะเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มาคุยประเด็นที่ว่าเ อ, อถ้าเราฟังออสิ่งที่เป็นคําสอนของพุทธเจ้าที่หรือจะไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นโดยนัยยะโดยอัฏฐานถึงใช่อยู่แต่โดยบทปัญญาอาจจะมีผิดเพี้ยนไปเราก็ฟังหาอัฏฐาที่จะสอดคล้องกับคําสอนของพุทธเจ้านะอันนั้นจะได้ประโยชน์จากการฟังในเทศไหนไห น, ไหนก็แล้วแต่เอถอะเรื่องพิบูลค่ะตี๋ฉันอยากจะกล่าวเรียนถามต่ออย่างกับกรณีคนขอ กับคนให้เนี่ยนอคะอเอาเป็นลักษณะของการดาเนินชีวิตในยุคนี้ปัจจุบันนี้เลยล่ะว่าถ้าจะไม่ให้อาจุศลมันเกิดจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรในกรณีที่ขอแล้วให้ได้กรณีที่ขอแล้วให้ไม่ได้หรือให้ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นถ้าถูกขออนี่ยค่ะค่ะพระพุทธเ้าได้ได้วางแผนก็เรียกว่ามีการแบ่งงบประมาณไว้ให้ แตพระองค์พูดถึงการแบ่งงบประมาณของพระว่าผู้ใดผู้หนึ่งที่มีทรัพย์เกิดขึ้นเนี่ยนะหมายถึงคําว่าแบ่งงบประมาณเนี่ยเป็นคําสมัยปัจจุบันแตถ้าพูดในสิ่งที่ผู้เช้าได้ตราตรา้ก็คือรู้จักจ่ายทรัพย์นะเหมือนกับตาช่างเนี่ยเขายกขึ้นมาปุ๊บก็จะรู้ว่าขาดอยู่เท่านี้เกินอยู่เท่านี้ช่างทองเนี่ยทองคำเนี่ยนะเป็นทองที่เป็นของที่มีมูลค่ามากแม้แค่ครึ่งกรัมหรือแค่น้อยกว่านั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้แล้วว่าอันไหนหนักมากกว่าหนักน้อยกว่า เพราะนั้นคุณต้องฉลาดในเรื่องตาช่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ยังเป็นฆราวาสอยู่มีเงินเข้ามีเงินออกคุณต้องฉลาดเรื่องกระแสของเงินเข้ากระแสและเรื่องกระแสงเงินออกนะว่าอย่าอย่าให้รายจ่ายเนี่ยท่วมรายรับให้รายรับเนี่ยท่วมรายจ่ายแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บ เ, เราถึงจะดีแล้วเราวแล้ถามว่าไอ้ที่จ่ายจ่ายเนี่ยจะต้องจ่ายยังไงเอาเข้าก่อนนะเ<ม>ข้าก็คือคุณต้องรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ่อเป็นโพกษาที่ได้มาโดยทํามอาจจะประกอบอาชีพเป็นข้าราชการก็ได้และเป็นอาชีพผู้ถืออาวุธก็ได้ เป็นเป็นทหารกลาโหมก็ได้นะชื่อะไรก็ได้นั้นน่ะนะที่สุจริตนะ <Okay. S 1> ทีนี้ตัวส่วนขาออกเนี่ยผู้เจ้าได้แบ่งจ่ายไว้อยู่4 ส, ส่ว น, นส่วนแรกก็คือส่วนที่ต้องเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูมารดาเลี้ยงดูบุธธตรทิดาเลี้ยงดูมิสายเพื่อนฝูงให้บริษัทมันเดินหน้าต่อไปได้พวกนี้นะ่ะ น, นี่ <Okay. S 1> คือข้อที่1ข้อที่2เนี่ยจะต้องรู้จักเก็บทรัพเอาไว้นะสำ ร, รองไว้ในเวลาที่เดือดร้อน เช่นว่าเผื่อซับไว้เวลาที่เขาเรียกภาษีย้อนหลังมีอุทกภัยเกิดขึ้นคุณต้องมีการเก็บซับปรไว้ตรงนี้นะส่วนที่2 ส, ส่วนที่3นี่คือสละออกในในการทําผลีกรรมคือใหนะ้ในการบูชาทําให้เทวดาเทวดาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเทวดาที่เป็นตัวเป็นตนที่เรามองไม่เห็นอยังไงไม่ใช่น ะ, ะแต่เป็นเทวดาคือคนที่ดีที่ดีต่อเรานี่เราก็ให้ได้ในอย่างบางคนมนุษย์บางคนเนี่ยมีจิตใจเหมือนเทวดา ช่วยเหลือคอยดูแลเราเวลาที่เรามีเรื่องเดือดร้อนเขามาคอยช่วยเหลืออย่างเงี้ยคนนี้เป็นเหมือนกเทวดาของเราอันนี้เราก็เอาเงินให้เขาได้นะ <Okay. S 1> คือแบ่งแบ่งปันให้เขาได้ในข้อที่3ตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้พูดถึงการแบ่งใจ่ายทรัพย์โดยการที่แบ่งให้เพื่อนฝูงแบ่งให้ญาตินะช่วยชาติพวกนี้เป็นการสละให้เลยคืออันนี้ไม่ได้หวังจะเอาคืนนะถ้าอะไรที่เราเป็นแบบลักษณะการกู้เงินหวังเอาคืนต้องไปอยู่ข้อที่1เป็นการทรําธุรกิจของคุณไป แต่ถ้าสละตรงนี้คือคุณสละให้เลยคือให้ญาติยืมเงินเนี่ยคุณอย่าไปหวังเอาคืนเลยนะมันมันบางทีมันไม่ได้อะนะแล้วข้อที่สี่ก็คือว่าการให้สมณะนะที่เขาอด้วยปัจจัยสี่ที่เขาเพียนเผากิเลสอันนี้ก็จะเป็นให้น้อยแต่ได้ผลมากทีนี้พูดถึงตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าใครก็ตามที่มีเงินเนี่ยคุณต้องมีการทําำแพเจิตมีการทํางบประมาณนะถ้าคุณมีงบประมาณเผื่ อ, อไวส้สำหรับตรงนี้ในการใช้จ่ายให้ แล้วมีคนมายืมเงินเอาคุณเอาตรงนี้ให้ถ้ามันเกินแล้วคุณก็บอกคุณไม่มีเพราะว่างบประมาณที่ตรงนี้เราได้ตั้งไว้มันหมดไปแล้วก็แค่นี้เราก็จะสบายใจอ๋อะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันเกินจากที่เราสามารถจะใช้จ่ายได้งบประมาณที่เราตั้งไว้เราก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ผิดอะไรนะคะแต่ถ้าหากว่าเราหวังจะไปสู่มรรคผลนิพพานขนาดนั้นแล้วอาจจะต้อง ไปศึกษาประวัติของพระพุทธองค์นะคะอืมเพราะว่าการการให้ทานนี่สําคัญมากไหมคะกับการที่เราจะเจริญก้าวหน้าในธรร ม, มนะคะถ้าบอกว่าให้ทานแล้วไปมรรคผลนิพพานได้นี่คุณยมติวจะเห็นว่าไงอืมก็ก็เห็นพระพุทธเจ้าให้ซะขนาดลูกเก้าอ <laughs> ย่างให้ได้อย่างเงี้ยนะคะท <laughs> ั้งคะก็จะ<ๆ>เกี่ยวมากนะคะเออเกี่ยวสิคือสมมุติเราสิ่งที่เราขัดขวางเราอยู่ในการที่จะไปมรรคผลนิพพานเนี่ยนะ คือตัณหากับกิเลสเอ่อตัณหากับอวิชชาถ้าเราบอกว่าเอ้ยงั้นเราก็เอาให้ซะเอาตัณหานี้อีกของเร า, าให้ให้ใครให้โลกนี้ไป่ะมันเป็นของโลกเราไม่เอาหรอกเราให้เขาไปอย่างเราจะควักเงินสักหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทําบุญอย่างเงี้ยเฮ้ยเราคิดว่าอืมเงินนี้มันก็สละแล้วกันนล้วมันไม่ใช่ของเราเราสละออกนะกิเลสนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราสละออกตัณหานี้ก็ไม่ใช่ของเราสละออกอวิชชานี้ไม่ใช่ของเราเราสละออกโอยถ้าคุณําได้อย่างนี้นะ คุณเป็นบ้าหลานแน่นอนอนี่มันมันกล้ามเนื้อเดียวกันนะมันคือการให้ทานเหมือนกันแต่ดิฉันเข้าใจว่าถ้าเราจะทำขนาดนั้นได้บางทีจิตเนี่ยอาจจะต้องได้รับการฝึกพอสมควรสำหรับคนที่จิต<า>ก็ยังมีความรู้สึกสละไม่ออกได้ขนาดนั้นก็แน่นอนแน่นอนดิฉันเพิ่งคุยมากับคนรู้จักท่านหนึ่ง อันนี้ก็ยังไม่ได้เอ่ยถึงท่านมาก่อนแต่อาจจะมีกรณีบางอย่างคล้ายๆกันคือเป็นคนที่เคยเป็นมะเร็งอืบอกว่าไอ้ตอนเป็นมะเร็งเนี่ยถึงได้รู้ว่าเมื่อก่อนเราเห็นคนเป็นมะเร็งเราก็เห็นอกเห็นใจสงสารเวทนาเขาบอกมันไม่เหมือนตอนที่เราเป็นเองเลยคือตอนที่เราเป็นเองเนี่ยตีอกโชคตัวร้องไห้มันเป็นเดือนเลยนะคะว่าทําไมถึงต้องเป็นเราอืมแล้วเสร็จแล้วก็รักษาตัวบอกว่าก็สู้ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าไอ้กายเนี่ยมันก็สําคัญแล้วก็ศึกษาทุกวิธีทางที่จะช่วยตัวเองได้รวมไปถึงการไปปฏิบัติธรรมด้วยอื hmm. ทีนี้มาไปปฏิบัติธรรมข้าบอกปฏิบัติมากๆเข้าบอกวันหนึ่งนะคะในขณะที่กําลังเสียใจไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยเพราะว่าทําคีโมแล้วผมมันร่วงมากเป hmm. ็นกำกำเนี่ยผมว่ามันเกิดในสมาธิะคะ่ะเหมือนมีเสียง ม, มาถามที่หูว่าอา่าเหมือนกับ เลิกยึดได้หรื อ, อยังเห็น mm hmm. หรื อ, อยังว่ามันไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ประมาณเนี้ยเขาบอกว่า oh, วันนั้นเนี่ยเหมือนมันคลิกท่านท่านใช้คําว่าเหมือนเฟืองที่มันหมุนมันแล้วมันคลิกพอดีอ oh. นะคะแล้วก็อลืมตาขึ้นมาเนี่ยผมเนี่ยอยู่ในมือเป็นกําๆก็มองว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่ของเรา mm hmm. บอกแม้จากวันนั้นก็ใช้ชีวิตมาถึงวันนี้สุขภาพก็ดีวันดีคืนคือทําใจได้ว่า ยังไงมันตายแน่มันไม่ใช่ของเร า, าแล้วก็มุ่งหน้าก็ปฏิบัติทำต่อมาเรื่อยๆชีวิตทางโลกก็ใช้แต่ธรรมก็ปฏิบัติใช่เนี่ยแหละคือคือถ้าเราดูแลสุขภาพใจของเราด้วยเนี่ยนะสุขภาพกายมันก็จะดีขึ้นรา้หลายๆอย่างที่แม้ทางการแพทย์เขาหาข้อมูลไม่เจอในสุดท้ายถ้าเราหายเครียดตอานั้แนแหะมันก็ก็ดีขึ้นมาทุกอย่างแค่นั้นเองเนาะนะคะวันนี้ก็คิดว่า อาจจะทําให้หลายๆคนได้แง่คิดอะไรขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็อันเนื่องมาแต่เทศมหาชาตินมาไกลเลยแล้วก็มาไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะเวลากําลังจะหมดมอย่างไรก็ตามท่านไปบุญเนี่ยนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดแบบเราคือท่านจะมีรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยในเวลาดเดียวกันนี้ทั้งเสาร์และอาทิตย์เลยนะคะก็เปิดไปฟังกันส่วนท่านมาร์กเนี่ยก็จะมาทําหน้าที่หนักในวัด นาปปงนะคะช่วยพระจานทร์คือกริชเพรเสาร์อาทิตย์นี่จะมีแขกเรือไปสนทนาธรรมเยอะนะคะโดยเฉพาะสนทนาธรรมค่าวันเสาร์ที่นั่นท่านมีบุญคะเรียนขออนุญาตว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเนื่องจากเรียนก็รู้สึกว่าท่านก็ได้เมตตากับพวกเราเยอะจริงๆแล้วเรื่องบอกบุญเราก็ไม่ค่อยได้ทํากันแต่อยากจะกราบเรียนท่านว่าเรียนขออนุญาตที่จะกราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของการทอดกรถินของวัดป่าดอนหายโศ นะคะในสัปดาห์หน้าและก็จะประกาศให้เป็นระยะระยะไปเพื่อที่ท่านทั้งหลายที่ศรัทธาแล้วก็อยากจะตอบแทนในสิ่งที่ท่านได้เมตตามาสอนธรรมะเราเพื่ออยากจะทําบุญกับวัดปาดอนไฮโซกและวัณนาปะพงเนี่ยนะคะจะเริ่มต้นพูดตั้งแต่สัปดาห์หน้ากราบเรียนท่านไว้เลยนะคะวันนี้ก็ก ร, ราบราชการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเทีบานค่ะท่านฝั่งที่ครบคะและนี่ก็คือรายการสัรสนนิษฐานะนะคะดานเนินรายการโดยดิฉันสันนิษฐานะพง ก็อยากให้ธรรมะนั้นเป็นของที่จัดต้องแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ใช่ของที่คนมีความ ร, รู้สึกว่าโอ้มันสูงส่งมากคนอย่างฉันจะตระกายไปถึงได้หรือนะคะเพราะพระพุทธองค์นั้นท่านก็ตรัสสอนไว้ก็เพื่อสอนพวกเราคนธรรมดาธรรมดาที่ยังใช้ชีวิตกันอยู่ในโลกที่มันแซมจะวุ่นวายปวดหัวทุกวันทุกวันนี่แหละคะ่ะนะคะวันนี้เราก็คงจะฝากกันไว้สาหรับผู้ที่อยากจะได้นังสือพุทธวนจะนะก็ส่ง กันเข้ามาที่022690006มันละ3เล่มและติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเลยนะคะวันจันทร์ค่ะวันนี้พุทธสวัสดีค่ะ